หลวงพ่อยินดีที่จะรับฟังในเรื่องนั้นนั้ๆแต่อย่าไปจัดเป็นภาพรวมออกมาเพียงแต่ความอิจฉาในใจเท่านั้นแหละเอ้ยทำมาเทศนาของหลวงพ่อยินนี่ไม่ดีโยงวุ่นอย่างนี้เลยไม่ดีที่ตรงไหนฮอยากจะให้ชี้แจงมาเป็นจุดนะเราจะได้ปรปับปรุงแก้ไขเราไม่ได้ต้องการอะไรมีแต่อยากจะ ส่งเสริมออพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งเสริมปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ยังยืนถาวรเราไม่ได้มีเจตนาแม้แต่น้อยหนึ่งที่จะรล็ดรอนหรือ ว, ว่าทำร้ายทำลาย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 เป็นกรณีสนุปตัวเองตัวของท่านเองนะหลวงพ่อมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหวังเท่านั้นนะนะนะวันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5พนอะ้านบะนะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งจวนจะเข้าพรรษาเต็มทนวันที่ส0สบก็เป็นวันอสศราหาบูชา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 อย่างนี้ในพระวินัยก็ยเคยมีอยู่แต่จะเท็จจริงอย่างไรอ่ะอันนั้นพวกเราต้องศึกษาแต่พวกเราเหตเห็นกันอยู่ก็คือเนี่ยการเข้าสิงอในหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบั น, นองค์หลวงตาเนี่ยท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่หลวงปู่ล้านปฏิเสธไกลๆตีหลวงพ่อว่าอถ้ามันมีก็จริงยุตแต่เราไม่นับถือเริ่มใสมันจะเหมือนกับมันไม่มีนะ่ะทันว่ายเงิน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 อย่างไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มีมีคาถาอาคมนมีมีอยู่ในโลกนี่แหละท่านว่างั้นมันมีจริงๆไสยศาสตร์แต่จะเอามาใช้ในพุทธศาสนาไม่ถูกต้องอย่ามานะอย่าเอามาใช้ถ้ามาใช้เ น, นี่ยคนจะเป็นพระองค์ใดก็ตามเรียงคาถาอาคมหมากินความคืดอยากจะให้จัดทาญาติโยมนับถือเลื่อมใสสารกะศิลิกาสาริการลิ้นทอง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 พระไตรสรณคมพุทธังธำมังสังขังสรณงคัดฉามิฆ่าไปเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งผีสางนางไม้เอเวตมลกลคาถาไสยศาสตร์เข้ามาไม่ถึงทางนั้นท่านว่าไนเพราะเหตุลไยเพราะเราปิดประตูหน้าต่างสิ่งไสยศาสตร์ฉะนั้นเข้ามาไม่ถึงเว้นเสียแต่ว่ากรรมเก่าของเรา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 พระพุทธเจ้าจงว่าไม่ใช่พรมอันนี้เป็นพรมเท่านหนท่านจะต้องถึงกำหนดท่านจะต้องลงไปเวียนไหวตายเกิดอีกในวัทสงสารอันนี้ไม่ใช่เป็นฌานเท่านั้นเองถ้าฌานอันลึกซึง้งเป็นฌานที่สมาธิของท่าน ท, ท, ที่ท่านได้บำเพ็ญฌานมาอย่างดีที่สุดเหนื้อแน่นเหนื้อเหนื้อที่สุดเรื่องฌานของท่านละเอียดละเอียดที่สุดอายุของท่านจึงเยินที่สุด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 มันหาความมั่นคงไม่ได้ถ้าเรามีหลักยึดอนะย่างไงก็ยังมีความเชื่อมั่นมีความเอผ า, าสุกได้อยู่เพราะเรามีมีหลักยึดทางด้านจิตใจเพราะฉนั้นให้พวกเราท่านท่านทั้งหลายนะยึดพระไตรสรณคมนะนะี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นสรณะถ้าตกทุกข์ได้ยากอย่างไงก่อนนี่นนะยึดคุณงามความดียึดหลักเหตุผลเอยึด